พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสีทันตะภูมิสูตรว่าด้วยภูมิของผู้ได้รับการฝึกแล้วสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเวลุวันเขตกรุงราชครึกสมัยนั้นสมเนนชื่ออาจิราวตะอยู่ในกระท่อมใกล้ป่าครั้งนั้นพระราชกุมานนามวัชยเสนซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์หนึ่ง ของพระเจ้าพิมพิสารทรงดำเนินเข้าไปหาสามเณรอาจิราวัตตะถึงที่อยู่ตรัสถามว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตกักขะตาคือสภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้จริงหรือไม่ได้รับคาตอบว่าจริง จึงตรัสขอให้แสดงธรรมนี้แก่พระองค์สามเณรอาจิราวัตถูนว่าถ้าอาตมาภาพจะแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้ศึกษามาแต่พระองค์ไม่ทรงทราบอัฏฐะแห่งภาสิทธ์ของอาตมาภาพข้อนั้นจะเป็นความยากจะเป็นความลำบากแก่อาตมาชยเสนราชกุมารตรัสขอให้แสดงธรรมเถอะเพื่อว่าบางทีพระองค์อาจทราบอัฏฐแห่งภาสิท์นั้นก็ได้ สมณเนรอจิราวตะถวายพระพรว่าถ้าไม่เข้าใจความหมายขอทรงอย่าได้รักถามให้ยิ่งขึ้นไปเมื่อทรงยอมรับข้อตกลงนี้จึงทรงแสดงธรรมเรื่องนี้เมื่อแสดงจบชัยเสนราชกุมารได้ประกาศความไม่เห็นด้วยและตรัสว่าเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุธิศกายและใจยอยู่พึงบรรลุจิตเตกัตขะตามีอารมณ์เป็นหนึ่งได้ ส่งลุกขึ้นจากที่ประทับแล้วเสด็จไปหลังจากนั้นสามเณรอาจิราวัตต์ได้กราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชยเสน ร, ราชกุมารไม่มีทางได้ประโยชน์จากการแสดงธรรมนั้นของเธอเป็นไปไม่ได้ที่ชยเสน ร, ราชกุมารผู้ยังอยู่ท่ามกลางกามอย่างบริโภคกามถูกกามวิตรุมเรา้า ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผายังขวนขวายในการสแสวงหากามอยู่จากทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทำให้แจ้งจิตเตกขตาที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทำให้แจ้งด้วยเนคข ม, มะได้เนคข ม, มะในที่นี้หมายถึงคุณคือการบรรพชาอันเป็นเครื่องสลัดออกจากกามหมายเหตุสำหรับในพระไตรปิฎก มักจะเรียกชื่อโคตรหรือสกุลในการสนทนาเป็นหลักนะครับแต่เวลาเขียนถึงใครจะเขียนถึงชื่อดังนั้นหากฟังแล้วข้อความหนึ่งกล่าวถึงชื่อหนึ่งแต่เวลาพูดคุยเรียกอีกชื่อหนึ่งพึงเข้าใจตรงกันนะครับว่าไม่ใช่สาระสำคัญอะไรและเข้าใจประเพณีในสมัยพุทธกาลด้วยว่าท่านเรียกคนด้วยชื่อสกุลหรือโคตเป็นหลักในพระสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ทรงเรียกสามมเนนว่าอคีเวสนะละตรัสแสดงธรรมไว้ดังนี้อคีเวสนะช้างม้าหรือโคที่ควรฝึกคู่หนึ่งที่ผู้ฝึกฝึกดีแล้วหัดดีแล้วจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผู้ฝึกฝึกแล้วพึงสำเร็จภูมิที่ผู้ฝึกฝึกแล้วได้ไหมทูลตอบว่าได้พระพุทธเจ้าข่า และช้างม้าหรือโคที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเลยจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผู้ฝึกฝึกแล้วจะสำเร็จภูมิที่ผู้ฝึกฝึกแล้วเหมือนช้างม้าหรือโคที่ควรฝึกคู่ที่ผู้ฝึกฝึกดีแล้วหัดดีแล้วเหล่านั้นได้ไหมทูลตอบว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะอคีเวสณะฉันนั่นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ ที่ชยาเสนราจกุมารผู้ยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภคกามจากักทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทำให้แจ้งจิตเตกัคคตาที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทำให้แจ้งด้วยเนกขมมะได้อัคขเวสนะสหายสองคนพากันไปที่ภูเขาลูกหนึ่งคนหนึ่งยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างคนหนึ่งขึ้นไปบนภูเขา คนที่ยืนอยู่ด้านล่างตะโกนถามว่าอยู่ข้างบนนั้นมองเห็นอะไรบ้างเขาตอบว่าอยู่บนนี้มองเห็นป่าไม้เห็นภูมิประเทศอันน่าเรื่นรมคนด้านล่างไม่เชื่อและบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะเห็นสิ่งที่บอกนั้นสหายผู้ยืนอยู่บนภูเขาจึงลงมายังเชิงภูเขาเบื้องล่างแล้วจูงแขนสหายคนนั้นให้ขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้น ให้พักเหนื่อยครู่หนึ่งแล้วถามว่าเห็นป่าไม้ภูมิประเทศอันรื่นรมหรือยังเขาจึงได้เห็นด้วยตาของตนจึงยอมรับว่ามีจริงผู้ที่ขึ้นไปก่อนนั้นกล่าวว่าได้รู้ชัดตอนนี้เองว่าคนอยู่ข้างล่างยอมไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นมีอยู่จริงเพราะไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองและคนที่ขึ้นไปที่หลังเมื่อขึ้นไปแล้ว จึงได้รู้ชัดว่าสิ่งที่คนที่ขึ้นไปก่อนนั้นบอกมีอยู่จริงความเป็นจริงคนทั้งสองถูกภูเขาใหญ่ลูกนี้กั้นไว้จึงมองไม่เห็นสิ่งที่กวนเห็นอักคีเวสณนะฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่ชยเสน ร, ราชกุมารผู้ถูกกองอวิชชาใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาลูกนั้นกั้นไว้ปิดบังไว้รึงรัดไวห่อหุ้มไว ยังอยู่ท่ามกลางกาอยังบริโภคกามถูกกามวิวิตรุมเราถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผายังขวนขวายในการสแสวงหากามจากทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทำให้แจ้งด้วยเนขขมมะได้ จากนั้นตรัสให้นําอุปมาสองข้อนี้ไปอธิบายให้ชยเสนราชกุมารสมณเณรอาิราวตต์จึงกราบทูลว่าจะอธิบายอุปมาที่ไม่เคยฟังมาก่อนนี้เหมือนพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงแสดงธรรมโปรดโดยตรัสเรื่องนี้ว่าอคีเวสณนะกษัตริย์ที่ราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้ว รับสั่งเรียกรานผู้ชนานาญป่าที่ช้างอาศัยอยู่ให้กี่ช้างหลวงเข้าไปยังดงช้างเห็นช้างป่าแล้วจงคล้องมันผูกไว้ที่คอช้างหลวงในปรานได้ทําตามรับสั่งนั้นช้างหลวงจึงนําช้างป่านั้นออกมาสู่ที่กลางแจ้งได้โดยที่ช้างป่าทั้งหลายยังห่วงถิน่นคือดงช้างอยู่ลำดับนั้นกษัตริย์ราธิราช จึงรับสั่งเรียกควานช้างให้ไปฝึกช้างป่าแก้ไขความสับสนกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นยินดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการควานช้างรับพระราชองการแล้วจึงฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินลามคอช้างป่าไว้อย่างมั่นคง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 จึงให้ช้างป่านั้นฝึกยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่ารับไปพ่อคุณวางลงพ่อคุณเมื่อช้างทำตามสั่งได้แล้วจึงฝึกเพิ่มให้คือเดินไปถอยกลับยืนขึ้นหมอบฝึกช้างนั้นขึ้นจนถึงขั้นที่ชื่อว่าอาเนจชะคือไม่หวั่นไหวคือผูกโล่ใหญ่ไว้ที่งวงช้างนั้น จัดบูรุษถือหอกซัดนั่งบนคอช้างจัดบูรุษถือหอกซัดหลายคนยืนล้อมรอบส่วนควานช้างถือของ้าวยาวยืนอยู่ข้างหน้าช้างนั้นได้รับการเปึกถึงขั้นอเนญช้าอยู่จึงไม่ขยับเท้าหน้าไม่ขยับเท้าหลังไม่เขยือนกายไปข้างหน้าไม่เขยือนกายไปข้างหลังไม่โคลงหัวไม่กระดิกหูไม่เหวี่ยงงาไม่แกว่งหางไม่ขยับงวง เป็นช้างหลวงผู้อดทนต่อการถูกห อ, อกทิมแทงถูกดาบฟันถูกลูกศรเสียบแทงและถูกเครื่องประหารของศัตรูอื่นอดทนต่อเสียงอึกกระทึกและกลองศึกมโหระทึกสังและกลองเล็กกำจัดนิสัยดื้อรั้นทุกอย่างและหมดพยศจึงนับว่าเป็นช้างสมควรแก่พระราชาอันพระราชาควรใช้สอยเป็นองค์สมบัติของพระราชา แม้ฉันใดอคีเวสนะตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นพระพุทธเจ้าอนุชนคือคนผู้เกิดภายหลังได้สดับธรรมแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตตระหนักว่าการอยู่กรองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ยากเราควรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเขาละทิ้งกองภพสมบัติออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละเขาชื่อว่าเป็นอริยาสาวกอยู่ในที่แจ้งความจริงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังหวงถิ่นคือกามคุณห้าอยู่ตถาคตจึงแนะนาเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า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 สมทานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายได้ตถาคตจึงแนะนําให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปทางตาได้ยินเสียงทางหูได้กลิ่นทางจมูกได้รับรสทางลิ้นสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือ ภิกษุนั้นละนิวรณห้านี้อันเป็นเครื่องเศร้ามองแห่งจิตเป็นเครื่องทอนปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้อคีเวสณ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 การถูกต้องสัมผัสทางกายแก้ไขความสับสนที่ยังปุกพันอยู่กับเรือนแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจที่ผูกพันอยู่กับเรือนหรือกมคุณห้านั้นเพื่อบรรลุญายธรรมคืออริยมรรคมีองค์8ดเพื่อทำให้แจ้งนิพพานตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุ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 ภิกษุนั้นย่อมบรรลุทุติย่าฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิบรรลุตติย่าฌานบรรลุจตุตถชฌานตามลำดับเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธพุทธผ่องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพื่อปลุกเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์พุดผ่องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุดูปปตาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กําลังจุติคือตายกําลังเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองตั้งมั่นไม่หวั่นไหวภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยะยานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธาคามิหนีปฏิปทานี้อาสวะนีอาสวะสมุ ท, ทยัยนี้อาสวะนิโรธ นิอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตยอมหลุดพ้นจากกามาสวะภาวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบรมอาจารย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ภิกษุนั้นเป็นผู้อดทนคือมีชาติของผู้อดกลั้นต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อสมัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายต่อถ้อยคำที่กล่าวร้ายถ้อยคำที่ใส่ร้ายต่อทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอันมีในสริระที่เกิดขึ้นแล้วต่อความไม่สำราญต่อความไม่ชอบใจ พ่อจะร่าชีวิตได้ภิกษุนั้นกำจัดราคะโทสะโมหะทั้งปวงและกำจัดกิเลสเพียงดังน้ำฝาดได้แล้วเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาทานควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอคิเวสนะ ถ้าช้างหลวงแก่ที่ค oh วานช้างยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดล้มลงคือตายย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงแก่ล้มยังไม่ได้ฝึกโดยในยะเดียวกันถ้าช้างหลวงรุ่นกลางถ้าช้างหลวงรุ่นหนุ่มที่ควานช้างยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดล้มคือตายลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงนั้นล้มยังไม่ได้ฝึกแม้ฉันใด ถ้าภิกษุปูนเทระภิกษุปูนมัชิมะและถ้าภิกษุปูนนว ก, กะคือผู้บวชใหม่ยังไม่สิ้นอาสวะมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุนั้นๆมรณภาพลงยังไม่ได้ฝึกอคกิเวสนะถ้าช้างหลวงแกช้างหลวงรุ่นกลางช้างหลวงหนุ่มที่ควานช้างฝึกดีแล้วหัดดีแล้ว ล้มคือตายลงยอมถึงการนับว่าช้างหลวงนั้นล้มอย่างฝึกแล้วถ้าภิกษุปูนเทระหรือภิกษุปูนมะชิมะหรือภิกษุนวกะผู้สิ้นอสวรรค์เป็นพระขีนาสพมรณภาพลงยอมถึงการนับว่าภิกษุนั้นมรณภาพลงอย่างฝึกแล้วฉันนั้นเหมือนกัน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วสมณนณอาจิราวตะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบทันตภูมิสูตร